มีมีหลายคนเนาะเวลาชักชวนให้ปฏิบัติธรรมใครมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาจริงครูบาอาจารย์หลายรูปท่านก็จะบอกนะมีเวลาหายใจไหมถ้ามีเวลาหายใจก็ก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมได้หรือ บางทีครูบาอาจารย์บางรูปท่า น, นก็ย้อนถามนะมีเวลาทุกไหมนะถ้ามีเวลาทุกนะทําไมถึงจะถึงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราขนาดทุกก็ยังทุกได้นะที่จริงปฏิบัติธรรมก็คือแก้ทุกนั่นแหละนะถ้าจะว่าไปอย่างก็ถ้าทุกนกะ็แก้ความทุกเป็นความไม่ทุกนั่นแหละก็ เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่จริงถ้าเราได้มาเจริญสติแบบแนวเคลื่อนไหวเนาะเขาจะพูดอีกอกในหนึ่งก็ได้ว่าถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็เป็นเวลาที่ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันนะถ้าเรายัางสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ ก็ถือเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันแต่ีจริงถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดแล้วนะแม้แตบ่บางคนที่เขาไม่อยู่ในสภาวะที่จะเคลื่อนไหวได้เช่นร่างกายมีสภาพไม่สามารถสั่งการนะให้เคลื่อนไหวได้เหมือนเหมือนเป็นผักแบบนี้นะแต่ที่จริงในการรับรูนะ้ในส่วนของจิตใจเนี่ย ก็ยังคงมีอยูนะ่ถ้าไม่ใช่ช่วงที่เขารับที่จริงถ้าเคยฝึกจเจริญสติอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะคอยสังเกตความรู้สึกนะความนึกคิดในจิตใ จ, จก็ยะงเรียกว่าสามารถปฏิบัติธรรมได้ยุ่มกันนั้นจะเห็นว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่ามีเพียงแค่ร่างกาย เที่เคลื่อนไหวได้อยู่เนี่ยก็สามารถปฏิบัติทําได้แล้วหรือว่าจิตใจขณะที่มันยังรับรู้อารมณ์เความรู้สึกเยังมีขันอีกสี่ขันที่ยังทํางานได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติทําได้เหมือนกันนะอก็ปฏิบัติทําได้หรือจะว่าย่อๆก็คือว่าอย่าง เรามีขันทั้งห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปคือเอาง่ายๆ่าคือร่างกายนะเวทนาคือความรู้สึกนะความสุขความทุกข์ความเฉยสัญญาคือความจำได้หมายรูนะ้จำคือการนึกนะสังขารการคิดนึกปรุงแต่งนะ วิญญาณคือการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจให้พวกนี้มันเป็นตัวรับรู้ซึ่งแต่ว่าโดยย่อๆคือว่าเนีเดี๋ยวพวกเรามีขันทั้งห้านี่ครบอยู่แล้วนก็เป็นช่องทางในการปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางรูปหรือว่าทางนาม นั้นโอกาสในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเรียกว่าเปิดเปิดกว้างเนาะตลอดเวลานะอย่างที่อาจารย์กำพลเคยสงสัยว่าตัวเองเป็นคนพิการนะจะสามารถปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าก็เขียนจดหมายถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าถ้า ยังรู้สึกตัวอยู่นะก็ยังสามารถปฏิบัติทําได้นะหายใจเข้าหายใจออกอให้รู้สึกนะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือถ้าพอพิกมือนะี่พิกมือได้ก็พิกมือง่ายรู้สึกพิกมือคว่ำรู้สึกนะให้รู้สึกนะแต่ไม่ใช่ให้ไปอยู่นะไม่ใช่ไปย่องนะอ น, นี้หลวงพ่อก็จะย้ำอีกทีนึ่ง น, นี่ก็คืออุบายที่ ที่เราสามารถเอามาประยุกต์ในการปฏิบัติธรรมได้นั้นพอเวลาพวกเราต้องกลับไปใช้ชีวิตนะประจำวันกลับไปทางานกลับไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ได้อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมนะมีเวลาทำความเพียรอย่างต่อเนื่องหรือว่าไม่ต้องมีเรื่องราวมารบกวนในจิตใจมาก น, นการภาวนา ม, นมันก็อาจจะยากขึ้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกินวิสัยนะที่เราจะสามารถทำได้นะเราต้องเรียกว่าสร้างวินัยให้กับตัวเราเองเนี่ยสำคัญนะคำว่าวินัยนี่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอย่างพระภาาพระวินัยคือศีล น, นะศีลระเบียบข้อปฏิบัติ นะของความเป็นส ม, มณะนะแต่วินัยจริงจริงก็คือความที่เรามีมีระบบระเบียบให้กับตัวเราเองนะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะแล้วเราก็ศึกษาฝึกฝนตังนั้นทาให้เพราะว่าถ้าทำแล้วมันเกิดความมันเกิดความเจริญในกุศล น, นะหรือว่าพอไม่ทำแล้วมันก็ลด อคติสวนลงไปได้เนะี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราควรจรนะเดินเนาะวินัยคือข้อศึกษาที่ที่ทำให้เราจิตใจมันเจริญตรงนี้แหละนะเหมือนศีลของพระก็เป็นข้อศึกษาที่ให้เราศึกษานะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเป็นไงนะจิตใจก็ไม่ทุกข์ไม่กังวลใช่ไหมนะถ้าเราไม่พูดคำหยากไม่พูดเพิรเจอไม่พูดสอเสียดไม่โกหกนะ จิตใจมันก็ไม่ไม่พะวงไม่กังวลเขาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็นำมาซึ่งความสบายใจซึ่งความสุขใจหรือว่าสิ่งที่ควรทำเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเราก็มีความสุขใจเราได้ทำความสงบจิตใจก็มีความร่มเย็นมีความสงบเราได้สร้างความรู้สึกตัว จิตใ จ, จก็เกิดการตื่นรู้นะเกิดความเบิกบานเกิดความเป็นปกติเนะี่ยมันก็คือผลผลจากการที่เราทําหรือไม่ทำนะนะั่นแหละอันนั้นเรียกว่าเป็นกรรมทางนั้นเลยนะอ่ากรรมคือการกระทํนะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีหรือแม้แต่บางทีตะคิปเราเรียกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะ่ะแต่มันก็ยังเป็นกรรมนะกรรมที่เกิดจากการที่ไม่ได้ทำนะนะั่นแหละ เช่นมีคนตกทุกข์ได้ยากเราก็นิ่งเฉยมันก็เป็นาการกระทํารูปแบบหนึ่งนะกระทําโดยการนิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือสมมตนินนะแล้วก็อาจจะเกิดความทุกข์ใจสมัยเราพอช่วยได้แต่เราไม่ช่วยอันนี้ก็อาจจะเป็นความโงรธใจแต่มันอาจจะต่างกับบางขณะเช่นบางขณะเราเราก็ช่วยเขาพอสมควรนะแต่บางทีเราก็ กระทำโดยการไม่ช่วยเพื่อให้เขาได้สำนึกเพื่อเขาได้คิดเพื่อเขาได้ช่วยตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เราก็ต้องนะถ้าเรารู้เท่าทันนะการกระทําหรือว่าการที่ตั้งใจจะไม่กระทําอะไรบางอย่างเนะี่ยถ้ามันเป็นไปเพื่อนะเพื่อสร้างกุศล ในจิตใจของเราเองเพื่อระอกุศลในจิตใจนี้เองหรือว่าเป็นการเพื่อบางขณะเรารู้ว่าถ้ามันช่วยมากไปก็เป็นการทำให้เขาอ่อนแอเราก็ลดการช่วยลงหรือว่านิ่งเฉยมากขึ้นให้เขาได้ช่วยตัวเองก็เป็นการสร้างกุศลให้กับเขาเป็นการฝึกฝนเขาอันนี้ก็เรียกว่านี่แหละคือกรรมที่แท้จริงนะคือการกระทา แต่มันก็มีกรรมฐานนะที่จะทําให้เราช่วย เ, เหนื อ, เ, อเรียกว่าให้วางใจให้เหนือผลของการกระทำนะเพราะว่าเมื่อทําแล้วบางทีมันเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะหรือว่าอาจจะมีวิบากของกรรมก็คือ ผลพลอยได้ที่เกิดจากการกระทาในอดีตมันส่งผลนะส่งผลต่อร่างกายนะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกให้เกิดปัญหา <c oughs> เกิดอุปสรรคหรือว่าเกิดความมีคนมาเป็นบริวาลมีรั์สินเงินทองเยอะแยะไอ้พวกนี้ก็เป็นก็เป็นผลจากการกระทําทั้งนั้นนะ แต่การที่เราฝึกกรรมาฐานเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับมันได้นะอย่างไม่ติดกับมันนะอยู่กับสิ่งต่างๆพวกนี้ได้อย่างรู้เท่าทันนะก็คือมีปัญญารู้จักใชนะ้รู้จักวางนะไม่ไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธนะมีสิ่งต่างเกิดขึ้นมาก็ไม่พลอยหลงไปสุขไม่พลอยหลงไปทุกข์อันนี้คือ การที่เหนือขึ้นไปนะเราเกี่ยวข้องแต่ไม่ทุกใจไม่ลงไปกับเขามันต้องมีการตรงนี้เข้ามาเสริมไปด้วยนะบางทีชาวพุทธเนี่ยหลายที่โดยเฉพาะในเมืองไทยบางทีทาบุญทาทานมารักษาศีลหรือบางคนคิดว่ามาเจริญภาวนาแล้วก็บอกว่าหวังนะหวังจะได้รับผลของบุญนะ เป็นวัตถุสิ่งของเป็นเงินทองเป็นตำแหน่งหน้าที่เป็นความหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยเป็นความไม่เจอสิ่งซวยๆเนะี่เจอแต่เรื่องเฮงๆเลยนะไปคิดหวังคนแบบนั้นซึ่งแบบนั้นมันเป็นการเหมือนทำบุญแล้วก็แต่ไม่ใช่เป็นการลดความอยากไม่ใช่ละตันหานะนะบุญแบบนั้นได้ประโยชน์น้อยอนะ เพราะว่ามันสละน้อยแต่อยากได้มากเหมือนลงทุนนิดนึงแต่หวังกำไรเยอ ะ, อะซึ่งมันก็พอยแต่จะทำให้ผิดหวังนะมันเป็นความหวังแบบลมๆมแรงๆลมล ม, ลมแรงๆซึ่งไม่สามารถที่จะสมหวังได้เลยแต่ถ้าเมื่อใรเราทำบุญเราภาวนาเราใช้ชีวิต ด้วยความสระซึ่งตัณหาก็คือความทยานอยากนะในสิ่งต่างๆเนี่ยไอ้ตัวนั้นจะมันจะเป็นความเหมือนสรดัดเป็นความวางนะกลับไปคืนสู่ความบ้างที่แท้จริงของจิตใจจริงๆเนาะเหมือนชีวิตเราก็ดงแบกหลงยึดดงอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายเนะี่ยเหมือนเรารู้แล้วก็วางไปนะชีวิตจิตใจมันก็จะเบาขึ้น สบายขึ้นนะคือวางวางทางใจเนาะหน้าที่การงานก็ทำก็เกี่ยวข้องอยู่แต่ใจเราวางนะรับสินเงินทองก็ใช้นะพอสมควรก็วางได้สะระได้นะชื่อเสียงเกียรติยศนะมีก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ตามสถานะตามสังคมมันก็ไม่ใช่ว่า จะเป็นเนื้อแท้จิตใจของเราจริงๆอะไรต่างๆเห็นแล้วก็วางได้สิ่งที่มากระทบเกิดขึ้นเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีปฏิกิริยากำมันอย่างไรได้นะคือท่าทีในการรับมือกำมันนั่นแหละคือสิ่งที่นักภาวนาเราสามารถที่จะวางใจได้ให้พกเนี้จะเรียกว่าเราต้องเจอเนาะ ในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวาสนะจะอยู่วัดหรือว่าอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันต้องเจอสิ่งสิ่งที่เรียกว่าสิ่งกระทบทั้งนั้นอันนี้มันก็เป็นการฝึกภาวนาในรูปแบบหนึ่งนะ น, นอกจากเราจะภาวนาในการที่เราคอยรู้สึกนะถึงร่างกาย ที่เคลื่อนไหวนะจะด้วยออเดียบทใดก็แล้วแต่นะก็เราก็พยายามที่จะฝึกรู้สึกนะตั้งแต่ตื่นจนทั้งหลับนั่นแหละนะตื่นขึ้นมาคอยรู้สึกนะรู้สึกว่านอนนะอยู่ท่าไหนอย่างไรคือเป็นความรู้สึกนะแต่อาจจะไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดรู้สึกถึงร่างกายที่มันนอนอยู่นะตื่นขึ้นมาก็ขยับเนื้อขยับตัว นะอยู่บนที่นอนนะ่อย่างรู้สึกตัวนละุกขึ้นมาพับผ้าหม่มนะก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะฝึกอนะ ฝ, ฝึกสติได้อย่างจารย์พลก็เคยพูดบ่อยๆนะว่าบางทีผมอยู่บนเตียงว่างๆเนี่ยก็บางทีปฏิบัติแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ด้วยการพับผ้าห่มบ้างบางทีผ้าห่มนะตอนเช้าก็พับมาก็ดีแล้วนะ อก็เอาขี้ใหม่นะมาพับใหม่เป็นการแบบเปลี่ยนอารมณ์นจับจังหวะจากการขี้ผ้าห่มนจับจังหวะจากการพับผ้าห่มใหม่นก็เป็นการฝึกได้ทั้งนั้ น, นะแต่ชีวิตจริงของเรานก็ที่จริงในในกิจวัตรธรรมดาที่สุดเนี่ยนะมันเป็นโอกาสดีที่เราได้ภาวนาจริงๆรินะกิจวัตรธรรมดาธรรมดาที่ ที่เป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันแล้วก็มันไม่ต้องใช้สมองใช้ความคิดมากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นพื้นธรรมดาเนี่ยนะเช่นทานข้าวเช่นแปลงฟันเช่นอาบน้ําเช่นกวาดบ้านเช่นถูบ้านหรือว่าเช่นการเดินนะอันเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นกิจที่เราสามารถเอาสติเข้าไปคอยรับรู้ได้ ไม่บ่อยเลยนะถ้าเราสามารถวิสติได้กับกิจวัตรนะที่ธรรมดาพวกนี้นะส ร, รมาถเชื่อว่ามันเราก็สามารถมีเวลาภาวนานได้หลายชั่วโมงต่อวันเลยนะใช่ไหมเพราะกิจพวกนี้เรารวมๆแล้วเราก็ทำหลายชั่วโมงเลยต่อวันนะเดินกินข้าวนะ อาบนะ้าแปลงฟันอะไรพวกนีน้มันหลายชั่วโมงเลยนะต่อวันถ้าเราเอาสติเข้าไปรับรู้เนี่ยสมมติอย่างที่หลวงพ่อมันจะพูดเป็นแบบประมาณให้ฟังก็สมมติถ้าเราดูวินาทีละครั้งเนาะอ่ชั่วโมงหนึ่งก็สามพันหกรอยรู้นะถ้าสมมติแค่กิจวัตรธรรมดาเนี่ยสองสามชั่วโมงโรวมๆกันเนี่ยก็เป็นร่วมหมื่นรู้ละอ่ก็คือ ตัวรู้หรือว่าตัวสติเนี่ยก็เกิดเป็นหมื่นครั้งละนะต่อวันอันนี้คือถ้าเรารู้ตลอดนะหรือถ้ามันรู้ไม่ถึงนั้นอย่างนั้นก็ต้องได้สักครึ่งหนึ่งนะมันก็หลายพันครั้งแล้วถ้าเรารวมกับอิรีย บ, บทย่อยต่างในชีวิตประจำวันที่เราทำงานที่เราเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันก็ที่จริงเราก็ไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเนาะ ลองสังเกตดูตอนไหนที่มันพักนะนิดๆหน่อยๆ น, นะเราก็สร้างเป็นนิสัยนะสร้างเป็นนิสัยขยับเนื้อขยับตัวนะเช่นรถติดไฟแดง เ, ออเราไม่ต้องตั้งใจขับละนะเราก็พักแล้วก็พกลกพิกมือหรือว่าค้อนิ้วบนพวงมาลัยนะหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกนะ รู้สึกตัวอนะไรเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้เบรดนะเป็นเนช่วงเวลาที่เราได้สร้างสติขึ้นมาละอะหรือวิงทีเรานั่งรอใครเขายังไม่มาบางทีแค่ครึ่งนาทีนะบางทีแค่เสี่ยวสิบวินาทีเนี่ยก็มีค่านะกลับมาดูลมหายใจหรือกลับมาขยับเนื้อขยับตัวอรู้สึกตัวบางทีก็เอ็นตัวนะรู้สึกแบบเนี้ย มันก็ได้เหมือนกันนะคือเรียกว่าช่วงไหนที่มันว่างจากการงานนิดๆหน่อยๆเนียนะ่ยฝึกให้เป็นนิสัยฮนะฝิกมือรู้สึกทําอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกตัวสักหน่อยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เบรกนะเบรกจากความคิดเบรกจากความฟุ้งซ่านนะเบรกจากความหลงไปให้เยอะเลย พอเรารู้จักเบรกตัวเองบ่อยในแต่ละวันเนี่ยนมันจะทําให้เออความทุกข์ความกังวลมันมันไม่สะสมนะความเครียดมันไม่สะสมนะบางทีคนเราปัญหามันคือเราไม่รู้ตัวว่าเราสะสมความเครียดนะมันก็เลยพอถึงตอนเย็นมันก็เลยแบบโอร้รู้สึกมันทุกข์หนักนะทุกข์หนักมากขึ้น จนเกิดปัญหาความเครียดในจิตใจหรือว่าบางทีเราก็สะสมความไม่พอใจเนาะจากเช้าเ้ามันก็เป็นความไม่พอใจน่ะสายๆกลางวันก็เริ่มหดหงิดน่สุดท้ายตอนเย็นก็อาจจะดุ mm hmm. นดนัดหุดโกรธโมโหไปได้ง่ายๆพอกลับไปที่บ้านก็เสียใจไม่น่าเลยนะมันก็เลยเป็นความทุกข์ใจนะ แต่ถ้าเราคอยเบรกตัวเองแบบ่อยๆเแบรบกตัวเองคอยมีสติ บ, บ่อยๆเนะี่ยความไม่พอใจมันก็จะค่ อ, คอยๆลดร่วงลงไปมันจะไม่ปติดต่อเหนะมือนกับคท้ายเหมือนไฟไหม้นะเหมือนไฟไหม้มันก็ต้องเริ่มจากไม้แบบจุดเล็กๆก่อนจุดเล็กๆนะถ้าเราพอมีน้ำมันก็จะช่วยดับไฟได้แม้ทังสองทังก็จะดับไฟไปได้บ้าง หรือแม้แต่บางทีถ้ามันดับไม่ได้ทั้งหมดนะเราก็ใส่ดับบ่อยๆนั่นแหละนะอย่างน้อยมันก็คงไม่คงไม่ดามไปมากนะนะวันนี้มันก็จะเป็นช่วยลดนะลดความตึงเครียดลดความโกรธลดความทุกข์ใจในแต่ละวันของเราได้คนะือช่วงเวลาที่ว่างๆนะจากการงาน หรือว่าช่วงกิ จ, จวัตรประจำวันธรรมดาเนี่ยเราสามารถเติมสติเข้าไปได้นะในโดยเฉพาะในร่างกายที่ที่เคลื่อนไหวบางทีก็ตั้งใจทาบางทีมันก็ทำโดยเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเราก็หาเวลาตรงนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งนะที่บางทีในชีวิตประจำวันเราจะเราจะไม่สามารถดูกายเคลื่อนไหวได้ตลอดหรอกเพราะบางทีการเคลื่อนไหวบางอย่างมันก็รวดเร็ว หรือบางทีเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือกับการงานมันก็มีการเจนสติอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าคอยรู้ทันนะความรู้สึกนึกคิดจิตใจเนาะคือหรือจะเรียกอย่างว่าการการดูจิตก็ได้นะหรือการรู้ทันความคิดก็ได้อันนี้ก็เราก็ในชีวิตจริงเราก็ต้องควรฝึกดูนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเราดูกายไม่ได้ตลอดเวลาแต่บางทีความรู้สึกหรือว่าความนึกคิดเนี่ยมันก็เด่นชัดขึ้นมาในขณะที่เราทํางานหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยเออถ้าเราดูกายไม่ทันนะเราก็ดูเนี่ยดูความรู้สึกนะคอยออคอยกลับมามองดูความรู้สึกบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าการที่คอยค้นหานะไม่ ไม่คอยค้นหาถ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาเด่นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะเออว่าเออความเช่นความรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยเออมันเออมันเตือนละ อ, อว่าเราขาดสติไป เ, ออเนี่ยมันเราก็ค่อยตามรู้ความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกเช่นจิตใจมันมีสภาวะแบบไหนฟุ้งซ่านนะโกรธ หลงนะอะไรต่างๆสลัพัตเราก็ดูได้นะดูแต่บางทีก็เรียกชื่อมันได้หรือเรียกชื่อมันไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะเป็นการรู้สึกนะรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ปกติแล้วดูแบบนี้ก็ได้นะดูเอ้ยรู้สึกจิตใจมันหนักหนักจิตใจมันน่วงนวลจิตใจมันว้าวุ่นหรือว่าบางทีจิตใจมันลอยๆยังไงไม่รู้อนะ่มันเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้นะเราก็ค่อยรู้สึกมันแบบนี้ก็ได้เนาะ อคอยหรือบางทีดูเวทนาของใจนะใจตอนนี้มันมันทุกขนะ์เนาะใจตอนนี้มันเฉยใจตอนนี้มันสุขสบายนะดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นเช่ในกินน้ําได้แบก็กินน้ําเย็นขึ้นมาตอนกินน้ําอาจจะไม่ได้รู้ตัวชัดขึ้นแต่พอกินแล้วโอ้มันสุขใจขึ้นมาเออเราก็มีสติเออดูทันเวลาเราสุขใจขึ้นเนี่ย ในคนนี้คือเราต้องลองประยุกต์นะประยุกต์ในชีวิตประจำวันนะอาศัยการรู้ทันความคิดนะหรือว่าการดูจิตเข้าไปนะแต่การรู้ความคิดการดูจิตเนี่ยสิ่งสำคัญคือไม่ใช่การที่เราไปคอยสแกนหานะว่าอารมณ์อะไรมันกระดังเกิดขึ้นในจิตไม่ต้องไปคอยสแกนหาแต่คอยรู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นมา ไม่ได้ตั้งใจจะไปหาแต่มันเกิดขึ้นมานะคอยรู้นะรู้รู้แล้วทำยังไงรู้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะรู้แล้วก็แค่รู้ว่าจิตมันเผลอไปมีอารมณ์นั้นนะถ้าเรารู้อย่างมีสติจริงๆนะอารมณ์นั้นก็จะดับไปนะแต่บางทีพอดับไปแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้เมื่อมันขาดสติ ก็คอยรู้มันใหม่เนี่ยคอยรู้มันใหม่เมื่อทำแบบนี้บ่อยๆเท่าที่ทำได้เนาะเท่าที่ทาได้มันก็คงไม่อาจจะไม่ได้ถึงกับได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครทำได้ขนาดนั้นหรอกที่จริงนะอะถ้าอยู่ในขั้นของการฝึกแต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เราได้ได้เกิดสติ บ, บ่อยๆนะ แต่ถ้ามันก็มีบางขณะที่บางทีอารมณ์มันแรงความรู้สึกมันความรู้สึกตัวมันไม่พอนะบางทีเราก็อาจจะต้องตั้งใจกลับมาสร้างสตินะกลับมารู้สึกตัวกับฐานกายนะเพื่อให้มันเกิดกำลังในการเข้าไปต่อก่อนนะกับอารมณ์หรือความคิดที่มันแรงนะให้มันกลับมากับเนื้อกับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ้าง แม้กลับมาไม่ได้ตลอดแต่อย่างน้อยมันก็เห็นไหมมันมีช่วงว่างนิดนึง่งพอเราดูตัวมันก็ว่างจากความคิดนิดนึงแล้วอาจจะล้มไปไม่ลเอียดอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่อยค่อยทําแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเรียกว่าเบรกความคิดเบรกอารมณ์ปมไปได้นะหลายๆขณะพอเรา ท, ทนานนําชํานาญมากขึ้นนะมันก็จะเกิดสิ่งที่แล้วก็เหมือน มันดูตัวของมันเองนะโดยที่ไม่ต้องตั้งใจโดยที่ไม่ต้องแบบเรียกว่าไม่ต้องคอยกลับมาดูมันแต่มันกลับมาดูของมันเองหรือว่าเมื่อมันเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในจิตใจเนี่ยมันก็เหมือนมันก็รู้ของมันเองนะมันเหมือนเป็นอัตโนมัติมากขึ้นแต่ก่อนเหมือนแรกๆเราก็ต้องตั้งใจต้องฝึกฝน แต่พอต่อไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเออมันก็มันก็รู้ของมันเองเนาะหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะรู้ตอนเคลื่อนไหวแต่พอเคลื่อนไหวปุ๊บมันก็รู้ปัซของมันเองหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปดูความคิดจิตใจนะแต่พอจิตใจมันผิดปกติเมื่อไรหรือว่าความคิดมันโผล่มาเมื่อไรอ่ะมันก็เห็นของมันเองอันนี้มันก็จะเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาบ้าง อาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาเนาะแต่มันก็พอเกิดขึ้นมาเออมันก็เออกันก็จะเห็นว่าการพอ ม, นมันำก็มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะมันก็แทกแทรกเข้าไปนี่แหละทาเท่าที่ทำได้นแล้วก็พอทำบ่อยๆเออมันก็มันก็เป็นนิสัยใหม่เนาะมันก็เป็นความเคยชินใหม่ของจิตที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวไม่ไปหลง อยู่กับความคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าไม่ลงไปเพ่งโทษไปดูแต่คนอื่นเออเรากลับมาดูตัวเองบ่อยๆเนะี่ยนี่เราก็กลับมาดูตอนนี้บ่อยๆให้เห็นว่าเ อ, อมันเป็นเพียงแค่อาการนะแต่เป็นร่างกายก็ดีจะเป็นจิตใจก็ดีมันก็เป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งนะเอออาการที่เขาแสดงแต่ทุกอย่างแสดงเสร็จเขาก็จบนะนะ เขาก็วางไปไม่มีอะไรอมันคงที่ถาวรตลอดหรอกนะมันก็แค่อาการหนึ่งที่มันมันเกิดขึ้นม า, าแต่ถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันธรรมดาเนะี่ยในการทําแบบนี้นะมันก็จะเป็นเวลาในการเจริญสติได้ได้เยอะพอสมควรเลยนะแต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้เรายามเสริมก็อย่าทิ้งการภาวนานในรูปแบบ บางวันอาจจะมีงานยุ่งขนาดใหนแต่ก็ขอให้ปีกเวลาเนาะอาจจะสวดมนต์หรืออาจจะนั่งปฏิบัติเดินจงกรมในรูปแบบบ้างเนาะอย่างน้อยสิบนาทีก็ยังดีนะวันไหนที่มันยุ่งมากมากมันก็เวลาแค่สิบนาทีเนี่ยมันก็มันก็ไม่ถือว่ามากเกินไปเนาะถ้าเทียบกับวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เรามีเนี่ย ถ้าเราเปิน10นาทีหรือมากกว่านั้นนะ่ะมันก็ทําให้เหมือนคล้ายๆทําให้เรามาทบทวนทําให้เราม า, เ, าเหมือนคล้ายๆเคลียสิ่งที่มันสะสมในแต่ละวันออกไปจากจิตใจนะเช่นก่อนนอยเนนะี่ยปฏิบัติทรรําหรือว่าสวดมนต์แต่สวดมนต์แบบไม่ใช่สวดแบบสักแต่ว่าสวดนะครับสวดไปด้วยนะระ ล, ลึกถึงคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นะจะเดิน เรียกว่าเจริญปัญญาจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณพอนะสวดไปใจขาดสตนะิไปคิดเรื่องอื่นอคอยรู้ทันใจมันเผลอไปแล้วเนานะปากสวดนะกายนั่งสวดอยู่ตรงนี้แต่ใจเผลอไปแล้วเนานะก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลงแต่คอยรู้ทันเวลามันหลงนะสวดมนต์ไป <c oughs> ใจหลงไปคิดอ่ะคอยดูทันใช่หรือว่าคอยรู้สึกเวลาร่างกายคขนั่งร่างกายเขาขยับปากหรือว่าคอยรู้สึกตอนที่ได้ยินเสียงตัเองสวดมนต์มันก็เป็นความรู้สึกมันเหมือนกันนะแต่รู้สึกอะไรก็ได้นะมันก็แต่ที่จริงสติเวลามันมันเกิดจริงๆเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ได้หรอกเนะีไม่เลือกไม่ได้ว่าจะรู้จะรู้สึกแต่กายอย่างเดียว เลือกไม่ได้ที่จะรู้สึกต่ดใจอย่างเดียวเลือกไม่ได้หรอกเพราะที่จริงสติมันก็สับไปสับมานะมันเป็นธรรมดาเราจะให้มันตั้งอยู่อย่างเดียวตลอดมันก็มันก็ตั้งได้ยากนอกจากสมาธิมันมาหนุนหรือว่าความตั้งใจมากๆให้กำหนดตรงนี้มันก็พอได้แต่มันก็ไม่ได้ตลอดหรอกแต่ให้เราไม่ต้องไปกำหนดแบบนั้นดอกเราเอาแบบ ทำแบบสบายๆแค่ตั้งใจว่าเออรู้อะไรก็ได้นะในกายในใจนี่แหล ะ, ะทักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะที่เป็นปัจจุบันธรรมของเราเ น, น, นี่ยเราก็แค่กำหนดรู้แบบนี้แหละอะไรมันเกิดขึ้นมาก็ดูมันนะดูมันนะดูแบบไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งเหมือนเป็นละครหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่มันฉายให้เราเห็นนะเราก็หนะ้าที่เป็นเพียงแค่ดูคนละ้ายๆเหมือนเรานั่งอยู่อยู่บนโซฟานะสิ่งที่เขาฉายบนจอทีวีอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเป็นร่างกายหรือจิตใจเขาแสดงอาการเฉยๆนะมันก็จะเห็นว่าอันนั้นก็เป็นแค่เรื่องราวเป็นปรากฏการณ์เป็นอารมณ์นะแต่เราดูเนะี่ยเราก็เป็นแค่ผู้ดู แต่ก็ต้องคอยรู้ทันเวลาใจเราก็ไปหลงหลงอินไปกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะพอรู้ตัวเขาอินอ้าวก็ถอนตัวเองออกมานะกลับมารู้สึกตัวนยะมันก็จะไม่เข้าไปอินกับเรื่องราวที่เขาแสดงเนะี่ยมันต้องฝึกแยกนั่นะแยกนะการเป็นผู้ดูนะสติเป็นผู้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ร่างกายที่เคลื่อนไหวหรือว่าจิตใจที่คิดนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสติเขาดูอีกทีนึ่งน ะ, ะค่อยๆฝึกแยกแบบนี้ไปเนแยกได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแยกได้ชัดบ้างไม่ได้ชัดบ้างอ่ะไม่เป็นไรแต่พยายามฝึกให้มันเออแล้วรู้รู้ว่าเออไม่เป็นคนส่วนกันเนาะระหว่างสตินะกับระหว่างกายหรือระหว่าง ความนึกคิดจิตใจต่างเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเราเราก็จะเห็นว่าเออมันมันก็เป็นเพียงแค่อ่สภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเื่อยนะเราก็ดูเมนี่าเราฝึกฝึกให้ได้เยอะเยะฝึกให้เป็นชีวิตประจำวันของเราเนาะทาให้เป็นนิสัยทําให้เป็นความเคยชินต่อไปการภาวนามันก็จะมันก็รู้สึกว่ามันก็ กลมกืนไปกับชีวิตนะเหมือนกับเราหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเรื่องต่างๆธรรมดาเนี่แหละนะมันก็มันก็การจิตสติมันก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวในธรรมดาธรรมดาในในชีวิตเพราะว่าเราจะทําในรูปแบบก็ดีหรือว่าเราจะ เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ดีมันก็มันก็สามารถที่จะฝึกสติได้ทั้งนั้นมันก็ไม่ถึงกับขนาดว่ า, ายากเกินไปหรือว่ามันง่ายมากๆขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความตั้งใจนะภาคเพียรมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เราก็ได้ฝึกฝนบ่อ ย, อยนะหรือเปล่าจนทั้งมันเคยชินมันชนานาญขึ้นนะ มันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็การกระทำของเราเนาะถ้าเราเห็นว่าเออชีวิตนี้เราอยากจะเป็นชีวิตเพื่อการภาวนาฝึกฝนจิตใจนะมันก็เราก็ควรที่จะใส่ใจกับเรื่องตัวนี้ให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าความสุขความทุกข์เนะมันก็เป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองนะกรรมก็เป็นสิ่งที่เราทําเองวิบากของกรรม มันก็ต้องรับเองแต่ถ้าเราภาวนาเนี่ยมันก็จะทําให้มันลดความทุกข์ใจลงไปได้เยอะขึ้นหรือกรรมหลายๆอย่างมันก็จะไม่เป็นผลเพราะว่าเจตนามันมันไม่ได้เป็นเจตนาในทางอกุศสนมันก็จะไม่ส่งผลหรือเจตนาดีเราก็ไม่ลงยึดนไม่ลง นะสร้างพบสร้างชาติแต่ตรงนั้นมันก็เป็นการรับระภพบภูมิลงไปได้เยอะเลยนะนั้นก็การภาวนาเนาะก็อยากให้เราเอาไปใช้ในในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเวลาฝึกผลในรูปแบบด้วยเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มพูนนะความรู้สึกตัวนะในแต่ละวันไปมากขึ้นนะแล้วก็ บางขณะเราก็ไม่สามารถที่จะฝึกได้แบบด้วยความตั้งใจนะอย่างเช่นตอนนอนแนบนี้แต่ขณะที่เราฝึกในในตอนที่เราตื่นนั่นแหละมันก็จะไปเรียกว่าไปรักษารักษาจิตขณะที่นอ น, นเมื่อมันฝันขึ้นมาสติมันก็จะเข้าไปตัดเองนะเข้าไปวางเองนะนั้นพอนอนแล้วก็เรื่องราวที่ เป็นความฝันมันก็จะไม่ไม่ทำให้เราเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยใจบางทีบางคนฝันเยอะๆเนี่ยก็เรื่องราวที่ฝันตื่นเต้นน่ากลัวอะไรต่างๆมันก็ทำให้นอนแล้วก็เหมือนพักผ่อนไม่พอนะก็เหนื่อยตื่นขึ้นมาบางคนก็วางความฝันไม่ได้ก็ไปคิดทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะ อันนี้ก็คือเพื่อยิ่งทำให้ตื่นขึ้นมาก็ยังมีความกังวลใจมีความสมสัยอยู่แต่ขนาดที่กําวันถ้าเราฝึกมาดีมันก็จะคุ้มครองจิตใจขนาดที่ตื่นนะที่ขนาดที่นอนดับของมันได้เนี่ยมันก็มันก็จะครอบคุมไปเองเนาะนันขอขอให้พวกเราได้พยายามตั้งใจฝึกฝนตนเนาะเพื่อ เพื่อเราก็จะได้มีชีวิตที่ที่สงบเย็นนะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ชีวิตที่สงบเย็นมีความสุขมากขึ้นนี่แหละแล้วก็เราก็อาชีวิตนี้ไปแบ่งปันไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะกับสังคมต่อไปเนาะสังคมของเราก็จะได้เป็นสังคมที่ที่มีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นนะ มากขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำตามตามกําลังที่เราทําได้เนาะก็ไม่ใช่ว่าเราจะคิดไปเปลี่ยนแปลงโลกไปเปลี่ยนแปลงองค์กรไปเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นนะแต่เราเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่แหละมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นนะเท่าที่มัน เหตุปัจจัยมันจะทำได้แต่เราก็เพียนพยายามทำตรงนี้